จิตเดียวดีเดียวร้ายแบบไม่รู้สาเหตุเป็นเพราะอะไรไม่รู้สาเหตุไม่ได้แปลว่าไม่มีสาเหตุเหมือนอย่างผลแห่งกรรมซึ่งมีต้นเหตุเสมอเพียงแต่อาจเป็นต้นเหตุที่เราไม่รู้หรือเราจําไม่ได้เราเลยรู้สึกไปว่ามันไม่น่าจะมีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยของจิตที่ร้ายแบ่งออกได้เป็น หนึ่งจิดทุกดวงถูกห่อหุ้มด้วยกิเลสอยู่แล้วแปล ว, ว่าร้อมจะไหลลงต่ำอยู่แล้วเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตย่อมมีธรรมชาติไหลลงต่ำเหมือนน้ำสองการสั่งสมความเคยชินในการคิดที่พอกพูนมาเรื่อยเราเคยตามใจตัวเองอย่างไรความเคยชินอย่างนั้น ก็มาปรากฏได้อีกอย่างเช่นที่เราเคยได้ยินกันว่าปราทิท่านบรรลุธรรมขั้นสูงแล้วบางทีก็ล้างวาสนาไม่ได้เช่นเดิมท่านเคยชินพูดหยาบคายขันของท่านก็ยังคงทำงานในแบบเลือกคำหยาบคายมาเป็นพักๆได้อยู่ 3. แรงกระทบบางอย่างที่อยู่รอบตัวและกำลังหนาแน่นอยู่ทั่วโลก บางทีเป็นเหตุบรรดาให้คิดอะไรแย่ๆคิดอะไรในทางต่ำขึ้นมาถ้าขาดสติเราก็ลงไปยึดเคลื่นกระทบเหล่านั้นมาและสำคัญว่าเป็นความคิดของเราได้นั่นก็เป็นเหตุปัจจัยแฝงอย่างหนึ่งที่ทำให้นึกว่าอยู่ๆจิตร้ายขึ้นมาเองทั้งที่จริงมีเหตุแต่เป็นเหตุที่เราไม่รู้และนึกไม่ถึงถ้าคล้อยตามและหลงตรึกนึกต่อ ก็มีสิทธิ์ปรสศภาพเป็นสมบัติอัปมงคลภายในของเราขึ้นมาได้จริงๆรคนเจริญสติเป็นถึงอยู่เหนืออิทธิพลของโลกแค่เริ่มนับจากที่แยกจิบแยกคิดไม่รู้สึกว่าความคิดเป็นเราได้บ่อยๆโลกก็กรอบงอแเราได้น้อยลงแต่เป็นเราที่มีอิทธิพลกับโลกได้อย่างเป็นตัวของตัวเองขึ้น มาเหตุผู้อ่านสำหรับในข้อสามเกี่ยวกับแรงกระทบบางอย่างที่อยู่รอบตัวที่อาจเป็นเหตุหนึ่งให้คิดทางต่ำขึ้นมาได้นั้นหลายคนอาจจะไม่เชื่อแต่ให้ลองเปรียบเทียบในชีวิตประจำวันนะครับถ้าเราไปนั่งใกล้กับคนที่จิตฟุ้งซ่านหรือกำลังทุกข์หนักแม้เขาจะไม่แสดงออกให้รู้เมื่อเราไปนั่งใกล้เขาหรือต้องอยู่ร่วมห้องกันก็จะรู้สึกฟุ้งซ่านหรือหดหูใจตามเขาไปได้ ซึ่งพลังงานเหล่านี้มีอยู่จริงนะครับและถ้าเข้มข้นมากพอก็สะสมในวัตถุหรือสภาพแวดล้อมนั้นได้ให้ลองเทียบนะครับว่าหากเราไปเข้าวัดที่ปฏิบัติ ด, ดีจริงเราจะรู้สึกถึงพลังงานผ่องใสทำให้รู้สึกใจสงบลดความฟุ้งซ่านลงแต่ถ้าเป็นสถานที่อโคจรเช่นบ่อนการพนันโรงหนังหรือพับบาร์จะมีพลังงานที่กระตุ้นกิเลสให้จิตฟุ้ง่านกระตุ้นให้เกิดความอยาก ความฟุ้งในกิเลสจะมากขึ้นซึ่งถ้าเป็นการไปในครั้งแรกเราสังเกตใจให้ดีก็จะเห็นความหวั่นใหม่ของจิตและกลุ่มพลังงานลบภายในสถานที่นั้นๆแต่เมื่อไปบ่อยจนคุ้นชินก็จะรู้สึกกลมกลืนและไม่รู้สึกถึงความแตกต่างนั้นว่ามีพลังงานที่ส่งผลเสียต่อจิตใจของเรานะครับในเรื่องของพลังงานที่มองไม่เห็นนั้นยังมีอีกหลายด้านที่เราทุกคนสัมผัสได้แต่อาจจะไม่เคยสังเกต เช่นถ้าเราไปรวมกับกลุ่มคนที่กําลังมีความสุขเราก็จะรู้สึกสุขไปด้วยได้ง่ายแต่ถ้าไปในงานที่คนกําลังเศร้าโศกหรือแม้แต่กําลังดูหนังเศร้าถ้าสังเกตดีๆนะครับจากจิตของเราดีๆก็จะพลอยเศร้าพลอยหม่นหมองรู้สึกหดหูไปด้วยอันนี้พูดถึงแค่พลังงานที่มองไม่เห็นแต่ยังมีแรงกระทบจากสิ่งต่างๆทั้งสื่อรูปภาพและเสียงยังมีรูปรถลิ่นเสียงสัมผัสหลายอย่างที่ผ่านเข้ามากระทบ ให้ลองสังเกตนะครับว่าบางเรื่องเราไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอได้เห็นคนวิจารณ์หรือได้เห็นคนด่าหรือนินทานในเรื่องนั้นๆก็กลายเป็นว่าพลอยเห็นด้วยและเกิดโทสะหรือฟุ้งซ่านในเรื่องที่ไม่เคยรู้สึกอะไรมาก่อนพลังงานจากจิตของแต่ละคนนั้นสามารถแผ่ป็นกระแสออกมารอบตัวและมีผลต่อจิตใจคนรอบข้างได้ท่านถึงให้หลีกเลี่ยงคนพาลและสถานที่อโครจรนะครับ